สภาน่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นเพื่อท้องถิ่นเจริญก้าวไกลาชาติเป็เรื่องให้ประเทืองและงามไม่เลยอาณาไม่พระปราณำไปขอตั้งใจอาสาเทสบาน่วยรับงานมากมายหลายด้านเจ็บหรือตายหุนไหวยายบ้านเทศบาลต้องรับแจ้งมาเฝ้าทํางานที่ทํางานพร้อมไปทุกนาเพื่อนครนิวัติพนาเป็นคน เทศบาลคือบันไดของการปกครองตามกลองแห่งชีวิตความที่มีประชาธิปไตยเมลให้จำัด้วยการรักันไป่ค่ไหนไม่สำคัญมีผู้แทนเของเราดูแลความสิ้นรวมรับงานปกครองท้องถิ่นทั้งทันทุสันทั่วกันเทศบาลเราที่ช่วยสัมพันธ์เทศบาล ความประสานคยรรวมมือ สภาน่วยรับงานปกคลองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นเพื่อท้องถิ้นเจริญก้าวไกลช า, าติเป็นเรื่องให้ประเทืองและงามไม่ไลยอาณาไม้พระปานำไปขอตั้งใจอ า, าอสาเส บ, บาน่วยรับงานอากมายไร้บ้านเจ็บหรือตายหุนไหวา ย, ยายบ้านเทศ บ, บาลต้องรับแจ้งมาเอาทำงารที่ทำงานพร้อมไปทุกนาเพื่อนคร น, นิวัฒน์พนาเป็นคน เทศบาลคือบันไดของการปกครองตาลองแห่งชีวิตความที่มีประชาธิปไตยเพื่อคลมงให้ัด้วยการรับใช้กันไปเหนือแไหนไม่สำคัญีผู้แทนเทตของเราดูแลความสิ้นรวมรับงารปกครองท้องถิ่นทั้งทันสุสั์ทุกกาเทศบาลเรา่ช่วยสัเทศบ า ง, งานพระเท่นศิลาอาาที่ลังกาตรถดีเมืองพระศรีพนมมาตแหล่งไม้กว่าตองกงดยหอมแดงเรื่องชื่นนำระบืดตำนานเมืองไม่ๆมวิสัยทัศน์ของเทศบาล ศรีพนมมาตรคือศูนย์กลางแห่งอารยธรรมแหล่งการเรียนรู้และความบูดมสมบูรณ์ของเมืองละแปลที่ไม่มีวันสิ้นสูญสลายสวัสดีครับคุณนุ่งครับพบ ก, กับรายการเสียงตามสายงานประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาลตำบลศรีพนมมาติเมืองละแปลครับวันนี้ตรงกับวันพรฤาัสบดีที่15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 เดินทางเคียงข้างกับออยอยากจะบอกด้วยความจริงใจน้องหวั่นใจเด้อถูกไอยเชิญไปเป็นคู่ชีวิตอายากให้เฮางมตันเสมอน้องกันอายเดิอแต่ยังมีเรื่องเป็นสายไอยเป็นคนดีอันนี้ หมดข้อสงสัยแต่ที่น้องญาติหลายก็คือเงื่อนไขของวันเวลาเมื่อความผาเก่าสิปล่อยให้น้องเงาบเสียงได้ยินบน่องคำว่าัก ว, วันที่ผ่านเขามีหัวใจไว้คิดถึงกันไอฝามาเยี่ยมยาม พอซที่เพื่อน้องบอกในวันนี้อยากจะทำอะไรอเป็นคนดีอันนี้หมดความสงสัยแต่ที่น้องญา่าหลายก็คือเงื่อนไขของวันเวลาเมื่อความผาเก่าสิปล่อยให้น้อง ยังได้ยินบ่น้องคำว่าหักกันเมื่อวันนั้นมายังจับมือกันคอยห่วงใ ย, ยกันบ่นเอเมือ่อนานตอนที่อ้ายนั้นจะสัญญาในใจบ่นาว่ามาจากใจอ้ายบอก ก็คือเงื่อนไขของวันเวลาเมื่อความผาเก่าสิปล่อยให้น้องเหงาเสียงได้ยินบ่นเองคำว่าหักกันเมื่อวันนั้นมาจึงจับมือกันคอยห่วงใยกันบ่นเอาเมื่อนานตอนที่อ้ายนั่นจะสัญญาแน่ใจบ่นเ ใจ t ือ cắn, khơi hoang yết cắn, b ม o năm nay u สวัสดีครับคุณนุ่ฟังสวัสดีวันพฤหัสที่15ครับมาวันนี้แดดจัดหนักจัดเต็มครับมาเต็มอีกแล้วคุณนุ่งฟังอาการแบบนี้ครับแน่นอนถ้ายังอย่างนี้อยู่คืนนี้ยุงมาแน่คุณนุ่ฟังก็ระมัดระวังกันด้วยครับในเรื่องของโรคที่มากับยุงครับทั้งไวรัสซิ ก, ก้า ทั้งไข้เลือดออกไข้สมองอักเสบนะครับมันยังอยู่นะครับคุณผู้ฟังยังมีอยู่ครับและแน่นอนผาหาคือยุงแล้วก็ไม่รู้ว่ายุงตัวไหนด้วยเพราะฉะนั้นป้องกันตัวเองคนที่เรารักครับมีโอกาสติดได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยครับสิ่งที่ทำได้แน่นอนสอดส่องรณรงค์ครับสอดส่องดูรอบบ้านว่ามีแหล่งน้ำขังต่างๆไหมถ้ามี ก็กาจัดครับเป็นขยงขยะกาะควา่าแล้วก็ทิ้งหรือเป็นแหล่งน้ำขังต่า ง, างๆเพอ่แป๊บแปบยุงวางไข่ได้นะคุณนู้ฟังก็ทําการคว่าเทเปลี่ยนให้เรียบร้อยก็จะได้ลดโอกาสการเป็นแหล่งเพาะพันยุงในบ้านของท่านด้วยต้องสอดส่องรับดูเดินดูกระ้างต้นมงต้นไม้อันนี้แค่มีแหล่งน้ำนิดเดียวคุณนุ่งฟังยุง เพาะพันได้วางไข่ได้ซึ่งทางเทศบาลครับทางอสมมอก็โรนรงครับแจก้ายอับเบตต่างๆกันไปหลายครั้งหลายรอบเกาะนำไปใช้นำไปหย่อนไปเทเอาไปใส่ไว้ก็ช่วยป้องกันได้เช่นกันถึงมันจะไม่ทั้งหมด 100% เอร์เซครับยังไงยุงมันก็มีเพราะว่าแหล่งน้ำธรรมชาติก็ยังมีเรื่องของการ เพราะพันของยุงได้อยู่แต่ว่าทำให้มันน้อยที่สุดจากบ้านเรือของเราก็ช่วยได้อีกทางหนึ่งนะครับ เจอกันนานคิดถึงจังเลยเธอเอ่ยน้องเอ่ยจะรู้หรือเปล่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงบัดนี้หัวใจของพี่เรียกหาเจ้าทั้งเดีนและเท้าค่นคืนจึงหิบเอารูปที่เธอให้วา สพี่กลัวไอ้หนุ่มอยู่ข้างหลงังมาตื้อน้องนางควันยืนพี่จนต้องฟื้นยืนรองไห้โทมากรุงเทพเที่ยวหา หวังเก็บเงินไปแต่งกับเธอชองรอพี่ก่อนพะวอนเถิดน้องอย่าให้พี่มองพะน้องนะพี่รักเนือนวลอย่างสุดซึ้งคิดถึงพี่บาขหรือเปล่าเธอส่วนพี่สิบเพอ คิดถึงด่างแรง หวังเก็บเงินไปแต่งกับเธอจงรอพี่ก่อนพะวอนเถิดน้องอย่าให้พี่มองพระน้องนะพี่รักเหมือนวนอย่างสุดซึ้งคิดถึงพี่บ้าหรือเปล่าเธอส่วนพี่สิเพอ ที่ถึงอย่างแรง ทกกับอมเหมือนที่เธอทํากับฉันก็ mm -hmm. คิดทุกวันเราหยุดคบกันดีไหม mm -hmm. บอกกับหัวใจว่าอยู่กันไปก็ทรมาร์ย mm -hmm. อยากหายไปจากตรงนี้ mm -hmm. ก็ถูกความคิดถึงทัดทาย นั้ สาระน่ารู้วันนี้ครับเกินไปแล้วเรื่องของพิษภัยของยุงครับแต่ว่ายังมีทั้งอย่างอื่นด้วยครับที่มากับหน้าฝนมีอะไรบ้างคุณผู้ฟังสําหรับสัตว์ที่ค่อนข้างอันตรายครับที่มากับหน้าฝนนะครับแน่นอนครับสัตว์มีพิษอันดับต้นๆครับหน้าฝนนี้แน่นอนงูคุณผู้ฟัง ซึ่งมักจะหนีน้ำครับมาอยู่ตามบ้านคนไม่ก็เจอขดอยู่หลายที่ครับรองเท้าอะไรต่างๆเหล่านี้มุมบ้านหรือไม้ว่าจะเป็นหน้าฝนครับหน้าอื่นมันก็มาคุณรู้ฝั่งหน้าอื่นก็มาครับมามีหลายสาเหตุครับอาจจะมาหาอาหารอา่บ้านไหนมีหนูเยอะก็อาจจะเจอในเรื่องของงูหรือ ต้องการความชื้นความชื้นเพื่ออะไรก็เพื่อลอกคราบนั่นเองคุณดูฝั่งก็อาจจะจาะเอะกันแถวองค์แถวองค์ที่เย็นๆก็ได้ถ้าเป็นงูไม่มีพิษก็ดีไปครับแต่ว่าถ้างูมีพิษอันนี้ก็ค่อนข้างอันตรายครับถ้างูเหา่างูเห่าพ่นพิษจงอางสามเหลี่ยมนี่มีไหมก็มีครับ หรือว่าอาจจะเป็นพวกงูที่มากินหนูกินอะไรต่างๆช่างเขียวพระอินเขีย ว, ยวตุ๊กแกเขียวหางไหม้นี่ต้องในป่าแล้วคุณผู้ฟังหรือตามบ้านก็อาจจะมีครับอาจจะมีเหมือนกันสําหรับเขียวหางไหม้แต่ว่าเขียวพระอินไอ้ที่ว่าตัวเขียวเขียวดําๆสลับกันหัวเป็นเหลี่ย ม, ยมอันนี้เจอกันบ่อยมากกว่าก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับหรือตะขาบ ตะขาบนี้ก็เจอกันบ่อยคุณผู้ฟังซึ่งก็มีพิษแล้วครับแผลที่ถูกตะขาบตะ ก, กัดนี่อาจจะได้รับเชื้อแบคทีเรียจากคมเขี้ยวของตะขาบแซากซ้อนเข้าไปในแผลด้วยนะครับแต่ทั้งนี้พิษของตะขาบก็ไม่รุนแรงถึงกับทําให้เสียชีวิตได้ครับวิธีปสมพยาบาลครับถ้าสัล้งพังพลาดไปเจอตะขาบกัด การดูแลเบื้องต้นเมื่อถูกตะขาบกัดครับให้ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดฟอกสบู่นาน30วินาทีครับก็ร้องเพลงช้างสักหนึ่งรอบหรือสองรอบถ้าทนไหวแล้วก็ใช้ผ้าห่อน้ำแข็งประครบเพื่อลดอาการปวดบวมหรือรับประทานยาแก้ปวดเมื่อรู้สึกปวดแต่หากว่ามีอาการแพ้พิษตะขาบมากให้ไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดนะครับหรือจะเป็นแมงป่องครับ าบางทีมันไม่ได้อยู่กับพื้นนะคุณผู้ฟังมันไปแฝงอยู่ในพวงของลังสัดลองกองก็มีครับสำหรับตะขาบซึ่งแน่นอนครับพิษของตะขาบไม่ได้อยู่ที่กล้ามครับแต่ว่าอยู่ที่ปลายหางทําให้ปวดแสบปวดร้อนทรมานหรือระแรงถึงตายได้เพียงแค่จึ๊กเดียวครับโดยแรกๆที่โดนต่อยจะรู้สึกปวแปดแผลทันที หลังจากนั้นใน30นาทีต่อมาเจ้รู้สึกปวดมากมีอาการบวมแดงและแสบร้อนที่แผลปวดหัวอาจเจียนมีไข้สูงหัวใจเต้นเร็วซึ่งหากไม่รีบรักษาครับอาจมีอาการชักน้ำข้างปอดและอาจเสียชีวิตจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบระบบหายใจล้มเหลวครับวิธีประถมพยาบาลครับเมื่อถูกแมงป่องต่อยเมื่อถูกแมงป่องต่อยให้ล้างแผลให้สะอาดด้วยน้าและสะบู่ จากนั้นประครบแผลด้วยผ้าห่อน้ำแข็งเพื่อบรรเทาอาการปวดและให้เส้นเลือดหดตัวซึ่งจะช่วยให้พิษกระจายตัวได้ช้าลงจากนั้นรีบนำผู้ป่วยไปพบแพทย์กับคางคกหรือว่าอุไทยเทวีครับอันนี้ก็มีตอมพิษครับตอมพิษของคางคกจะอยู่ที่เส้นสันหลังและก็เครื่องในบางส่วนซึ่งหากโดนพิษคางคกสัมผัสผิว จะเกิดอาการระคายเคืองแต่ไม่มากพอจะส่งผลต่อระบบอื่นๆครับที่อันตรายนี่ก็คือกินมันเข้าไปแล้วคุณระวังซึ่งถือว่าอันตรายมากครับสำหรับการกินคังคกนะครับก็มีผู้เสียชีวิตมาแล้วด้วยก็ไม่ควรที่จะสัมผัสหรือไปกินนะครับก็อย่า ก, กินเลยอันตรายในกรณีที่โดนพิษคังคกครับที่ผิวหนัง ให้รีบล้างทําความสะอาดผิวหนังด้วยน้ําและสะบู่ให้หมดจดส่วนหากกินขางคกเข้าไปครับให้รีบนําตัวผู้ป่วยไปพบแพทย์เพื่อรักษาโดยด่วนนะครับอันนี้ค่อนข้างอันตรายมากมแมลงก้นกระดกครับหรือว่าด้วงก้นกระดกอันนี้อันตรายคุณผู้ฟังทั้งนี้ครับมแมลงก้นกระดกไม่ใช่สัตว์ปีกที่น่าคบหาครับเพราะมีพิษแสบร้อนมาก เนื่องจากของเหลวในร่างกายของแมลงก้นกระดกมีสารพีเดรินครับเป็นส่วนประกอบซึ่งสารพิษชนิดนี้สามารถทําลายผิวหนังและเซลล์เนื้อเยื่อเมื่อเราสัมผัสดโดนแมลงก้นกระดกก็จะปล่อยของเหลวออกมาทําให้ปวดร้อนคันปวดแสบผิวไหม้มีผื่นแดงตุ่มน้ําเป็นหนองขึ้นตามบริเวณผิวหนังที่โดนสัมผัสกับ หากแมลงก้นกระดกมาสัมผัสตัวเราครับให้รีบล้างด้วยน้ำเปล่าฟอกสบู่ประครบเย็นในบรเวณที่สัมผัสกับแมลงโดยตรงจากนั้นให้คอยสังเกตอาการครับและการเปลี่ยนแปลงที่ผิวหนังหากเกิดแผลแดงเล็กน้อยสามารถหายเองได้ 2-3 วันไม่จาเป็นต้องทายาใดๆครับแต่ถ้าอาการผื่นเป็นมากขึ้นหรือมีตุ่มน้าพองเกิดขึ้นควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรักษาอย่างถูกวิธีครับ กิ้งกือครับแมแมงแสนตีนแมงแสนตีนบ้านเราะครับสัตว์ร้อยขาอีกชนิดหนึ่งที่หลายคนก็เห็นแล้วขนลุกแล้วครับก็เป็นสัตว์ที่มากับหน้าฝนแล้วก็ความอับชื้นครับซึ่งกิ้งกือบางชนิดครับสามารถปล่อยสารพิษเป็นของเหลว อ, ออกจากบริเวณรอยต่อของข้อปล้องได้ครับ หรือบางชนิดอาจปล่อยกา๊าซไฮโดรเจนไซยาไนต์ออกมาเพื่อป้องกันตัวครับซึ่งจริงๆแล้วสารพิษดังกล่าวไม่ค่อยส่งผลกับมนุษย์ครับเว้นแต่ว่าคนที่มีผิวบอบบางแพ้ง่ายอาจเกิดอาการแสบคันหรือเห็นเป็นรอยแดงๆตามผิวหนังที่สัมผัสกิ้งกือได้ครับวิธีปฐมพยาบาลครับเมื่อถูกพิษกิ้งกือเมื่อโดนพิษกิ้งกือเล่นงานครับให้รีบทําความสะอาดผิวหนังบริเวณที่โดนพิษด้วยน้ําสะอาด และฟอกสบู่หลายรอบซึ่งการทำความสะอาดไม่ทำให้รอยแผลต่างๆจางหายครับแต่อย่างน้อยก็ช่วยลดพิษกิ้งกือแบคทีเรียและเชื้อโรคที่มาพร้อมกับกิ้งกือได้หรือถ้ามีอาการแพ้ก็ให้กินยาแก้แพ้หากปวดก็กินยาแก้ปวดล้างแผลแล้วแผลจากกิ้งกือก็จะหายไปในที่สุดก็เป็นเรื่องราวครับ ของสัตว์ที่มักจะเจอครับในช่วงของฤดูฝนครับก็เป็นสัตว์มีพิษนะครับที่หยิบมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ครับมมมัักกนลีีคคเยวอไ แบบนี้มีแค่น้องเลยได้มีแต่ความจริงใจให้อายคนเดียวท้อนะสวัสดีค่ะมือนี้เช็คอินอยู่มองนี้นะเครเห็นโพสนี้ก็รีบมาซะมาลองจ้องตาน้องแน่มาซอยแท้แค่น้องหน่อยผู้บอิหาเฟสในไลน์เธอได้เห็นตัสนี้ให้เฝ้ามาจน ไอออนแอคนดู mm -hmm. นแลหนึ่งตนงเฝ้ามาองทาอยอูถึงใจู ด, ดน้องเอาไปเป็นคมเบิอยู่เดอ้เทนนเฝ้ามาจใจวง้งน้องมเจจังคือชิมาแมนีมีมาตกันมักละมีคนเดียวบคือพเป็นแบบนี้มีแค่น้อง Hey, Island President. Oh, yeah. ไปหาช่วยซับน้ำตาไม่ว่าใครจะทำให้มันลายอย่าให้คนเพียงคนเดียวทำชีวิตของเธอพังเก็บความฝันของเธอเอา ครับอย่าลืมนะครับสำหรับท่านที่จะเข้าลงทะเบียนนะครับเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐสําหรับท่านที่อยู่ในเขตเทศบาลทั้ง6ชุมชนนะครับวันที่20กันยายนครับชาวชุมชนฟักท่าหัวร้องไผ่ยางนะครับไปลงทะเบียนได้ที่ทําการชุมชนยางกระไดเหนือนครับ21กันยายน ชาวชุมชนคอกช้างชุมชนตลาดรับแรไปลงทะเบียนได้ที่ทําการชุมชนคอกช้าง22กันยายนชาวชุมชนยางกระไดใต้ชุมชนบ้านหนองไปลงทะเบียนที่ทําการชุมชนยางกระไดใต้และ23กันยายนครับชาวชุมชนยางกระไดเหนือและชุมชนอื่นนะครับอีก5ชุมชนครับก็เป็นรอบเก็บตกนะครับไปลงทะเบียนได้ที่ทําการชุมชนยางกระไดเหนือทุกวัน ที่แจ้งไปครับเริ่มตั้งแต่9โมงเ้าถึง4โมงเย็นนะครับ9โมงเช้าถึง4โมงเย็นท่านอยู่ชุมชนไหนก็ไปตามวันและสถานที่ที่แจ้งไปนะครับในส่วนของเอกสารครับสามารถไปรับได้ที่ประธานชุมชนทั้ง6ชุมชนนะครับนํามากรอกข้อมูลให้ถูกต้องพอถึงวันก็ไปยื่นได้ก็จะได้สะดวกและรวดเร็วครับหรือ มีการแก้ไขก็จะได้แก้ไขได้เร็วขึ้นทันท่วงทีขึ้นนั่นเองนะครับ ใจฉันสั่นเจอดมาเธอนั้นแทบหยุดหายใจตกหลุมรักเธอเข้าไปจังๆขึ้นไม่ไหวหัวใจมันหมดแรงเพียงได้ยินเสียงก่อนหน้าแดงหัวใจอ่อนแรงลงทันใดอยากเป็นนาง ใส่เก็บไว้เพียงแต่เธอไม่ต้องมีทองมากองข้างกายเพียงมีของที่อยู่ข้างในคือคำว่ารักจาก สัญญา a m e away. Just for o u y u e e d g o d Save it away, for l n d heart. i t you go. I keep t h h a i f e n d i o g Something that I don't w a นไป o ็แค่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 แดดดีแบบนี้เราคุณรู้ฟังก็เป็นพยากรณ์อากาศประจำภาคเหนือครับมีอีกหนึ่งเรื่องมาเล่าสู่กันฟังคุณรู้ฟังก็มีประกาศครับของจังหวัดอุตรดิตนะครับเรื่องผลการคัดเลือกคนดีสีอุตรดิตด้านบุคคลต้นแบบพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสากตัญยูประจำปีงบประมาณ2500 65ครับซึ่งคณะขนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุต ร, รดิต์ได้ประกาศคัดเลือกคนดีสีอุต ร, รดิต์บุคคลต้นแบบพอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสากตันยูประจำปีงบประมาณ2565เพื่อค้นหายกย่องเชิดชูบุคคลที่นำคุณธรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือมาใช้ในการทำงาน และด้านดำเนินชีวิตจนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการส่งเสริมสร้างสังคมคุณธรรมสร้างเสริมและขยายผลต้นแบบในการทำความดีให้เป็นที่หลากหลายและเพิ่มขึ้นในทุกระดับเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับเด็กเยาวชนและคนในจังหวัดอุตรดิตครับบันนี้การคัดเลือกได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิต จึงขอประกาศผลการคัดเลือกคนดีสีอุตรดิต์ครับคนดีสีอุตรดิต์บุคคลต้นแบบพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสากะตันยูระดับจังหวัดบุคคลต้นแบบด้านพอเพียงครับมีหลายท่านครับมี9ท่านและหนึ่งใน9ท่านครับก็มีรายชื่อของท่านสทครับท่านอ น, นันต์ มีรัฐครับเป็นบุคคลต้นแบบด้านพอเพียงนะครับทางเทศบาลครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านสท อ, อนันต์มีรัฐในการได้รับรางวัลคนดีสีอุตรดิตต์ด้านบุคคลต้นแบบด้านพอเพียงด้วยครับก็เป็นที่ประจักษ์ครับของท่านสท อ, อนันต์มีรัฐหรือที่หลายคนเรียกกันว่าลุงนั่นนะครับก็เป็นสทของ ชุมชนยางกระไดเหนือครับก็เป็นต้นแบบด้านพอเพียงนะครับเป็นหนึ่งในคนดีศรีอุดรดิตประจำปี2565ครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับ ใจที่มาพบเธอตายแผ่นฟ้าหอยิ้มที่ส่งมอบมามันคือกำลังใจความเหนื่อยล้าที่มีของน้องจางหายไปแค่มีเจ้าอยู่ข้างๆใจยังก็บยย แกันแค่ครั้งเดียวใจก็หัวเป็นเจ้าคนที่ใจเฝ้ารอมานานแสนนานอบอุ่นมันแกนคือจังมือแรกที่พบกันเจ้าบอรคยที่แปลพันไปอาจสิเป็นน้ำบุญเก่าที่เขารวมสร้างกันมา ยอมพีเพื่อเธอคนดี ครับคุณผู้ฟังครับหมดเวลาของรายการเสียงตามสายงานประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาลตะบนศีพนุมมาตรแล้วนะครับอ๋อมีหนึ่งข่าวครับข่าวด่วนครับเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ก็ขออภัยครับสําหรับพี่น้องประชาชนชาวชุมชนบ้านหนองนะครับเนื่องจากมีเหตุท่อประปาชํารุดครับบริเวณมณฑาซอยหนะครับเลยมีความจําเป็นที่ต้องหยุดจ่ายน้ําเพื่อซ่อมแซมเป็นการชั่วคราวที่บริเวณชุมชนบ้านหนองครับ ก็ขอใครในความไม่สะดวกมณาฑาที่นี้ด้วยครับหากซ่อมแซมแล้วเสร็จเมื่อไหร่ก็จะเปิดน้ำให้พี่น้องประชาชนชุมชนบ้านหนองได้ใช้ตามปกติครับก็ขอใัยในความไม่สะดวกมณาฑาที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องนำรายการจากลาคุณทุฝั่งปล้ครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ